ชีวประวัติหลวงปู่ลาเขมปัตโตม่วนที่ 1 คำ คงเจตนาจะจริงข้าพเจ้าจึงได้อนุญาตเพราะเห็นว่าจะเป็น มีใจพอปรึงอนุญาตให้ตีพิมพ์บรรดาเป็นคติเพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้างเกี่ยวกับไม่บ้างและก็เป็นของหาได้ธรรมดาชีวะประวัติเจ้าพุทธสุขสักเพียงแต่ถ้า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 ผู้เขียนประวัติของตนเองยังไม่มรณะภาพนั้น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 ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าเม็ดทราย ได้ผู้เล่นไสยศาสตร์มาเป็นพรรคพวกล้าน ยุคสุดท้ายบ้านหนองคือ 2489 90 91 92 93 จนถึงชาปนกิจ 2493 องค์ ทำเหรียญล็อกเก็ตเครื่องลังของขลังอยู่ยงคงกะปั่นและวิชาเสน่ห์ 3 พรรษาแล้วกลับมหาบัวยุก 3 พรรษาคลอ 4 พรรษาติด เป็นมือขวาขององค์หลวงปู่มั่นควบอยู่ด้วยให้เข้า 1 พรรษาแล้ว 2489 ติด 2493 ดังกล่าวแล้วนั้นมีองค์หลวง ข่าวอารมณ์ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสมากไม่ผลทุกข์ง่ายเลย ฟ unions แล้วก็แกะไม่ออกเลยไม่รู้ว่า palace ฟง ที่issez พ์ร crossed standpoint פ sava ฟจงป่าต eg สอาเมื่อปไ всем. folos ที่ 19 л. 1. Howard � us from z t Hern a o i buscar xix Danza.9.2. 3. อัด ma ist잇 สอบค์ร Pardon Susan and Buy R any layer? ไม่เดียว suppersi n З at leastunn ตรไüğ หมย baht ขนตัวรายก 되�นักนะ Nej 아이 bota trek ast blame areas jam wet Ass op ft gish k food ความหมายของพระพุทธศาสนานี้เป็นลดชาติธรรมแท้สงแท้นี้ก็สอดให้บรรดาอ่าพระพุทธศาสนา ไมปัรดาท่านผู้ปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาใจจึงไม่รักษาเเกียรติไว้บ้างย้อมตัวต่ําจ้าหาเลี้ยงชีวิตปีนเกียยวทําวิินัยของพระองค์ที่ทรงบัญญติไว้จนดูไม่ได้เหล่าขอให้แดลมเอ๋ยช่วยตอบเกิดิดด้านมักผลนิพันธุ์ก็คงจะทรงพณิพันธุ์อยู่ตามเคยหาได้ยอมสละลงมาเล่นกับสนามบ้ากิเลตใหม่ไม โดยเดินวนเวียนอยู่หรือวิ่งอยู่ตามถนนสายโลกสายโกรธสายหลงสอบได้ปริญญาเอกแบบได้ อนาคตก็ต้องหายไปณที่นั้นเองทีนี้เองล่ะ ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อม ล่าเลิงบันเทิงใจในเกศรดอกไม้ฉันใดบรรดาแก่เจ็บตายน้อยๆเลยเรื่องทุกข์ เมื่อยังไม่มียานอันต่องแทว่าพนทุกในสงสารจะสังค่ำตัวว่าเป็นสุขสาติเคียงใดก็ตาม夢องเป็นเรื่องโพกพกลงตรนเองอยู่โดยตรงแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยมีหนำซ้ำ เป็นวิชาทำตัวให้เป็นหม�를อีกด้วย เพราะ dai เวลา เหลือนอกนั้นยังเป็นทาสอยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นแต่กรรมและผลของ ส่วนที่เป็นโลกุตตรกรรมมีอยู่ 7 จำพวกนับแต่พระโสดาปัตติมรรคคือข่มศรัทธาเชื่อสิ่งที่ เพราะได้ดวงตาดวงปัญญาดวงธรรมแล้วขุมทรัพย์ภายใน พอที่จะต่อสู้กับความหลงชั้นกลางได้บ้างแล้วที่ความหลงนับวันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วต่อสู้กับความหลงชั้นกลาง 70 ปีเข้าแล้วถอน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2524 แล้วพรรษา 36 อย่างล่วงมาผ่านกองทุกมาหน้าสังเวชเป็นเหตุ ท่านอาจารย์อินทร์ถวายมาเยี่ยมคราวใดก็ได้ถามกับผมอยู่เสมอว่าองค์ท่านเขียนแล้วหรือยังกระผมตอบว่ายังไม่ทำได้เอาใจใส่เขียนเมื่อเป็นดังนี้เหตุผลในการเขียนก็จวนตัวผู้เขียนเข้ามาและคุณอินทร์ถวายเล่าก็ได้บวชอยู่กับเจ้าตัวได้รับทุกข์ลำบากมากในยุคต้นของหมู่เจ้าก็มาติดต่อกัน 9 ครอบครัวและโยมบิดาโยมมารดาของเธอพร้อมทั้งวงศ์ตระกูลของเธอด้วย ก็ปฏิบัติใกล้ชิดกับภิกษุสามเณรฝ่ายปฏิบัติมานมนานด้วยนับแต่ยุคห้วยทรายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาจนถึงปัจจุบัน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 เพราะไม่ใช่เจ้าของประวัติเจ้าของประวัติเขียนเองก็รับผิดชอบได้สนิทมอบปากบุญคุณโทษไว้ แต่คุณปู่คงเกิดก่อนตั้งเมืองอุดรมานานแล้วพี่ชายของคุณปู่คุณปู่อีกคนชื่ออั่งน้องชายของคุณปู่อีกคน งงงงง่าวๆชื่อล่วงไปแล้วคุณปู่คุณย่ามีบุตรร่วมกัน 10 ชาย 3 คนคนที่ 1 ชื่อว่านายสิงห์คนที่ 2 ชื่อนางศรีดาคน แต่ปัจจุบันที่เขียนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพียงพี่สาวคนแตคน 2 คนเท่านั้นคือพี่แก้วกับพี่แหวน ลูกคนปู่คนที่ 6 ชื่อนางลุนมีบุตร 7 คนลูกของคุณ ถ้าจากก็จะไม่ได้จบสิ้นโดยง่ายถึงลูกลูกลูกล้างๆหลิงหลิงๆของท่าน ก็พอให้เป็นหลักสมดุลกับการเขียนประวัติบ้างเท่านั้นจะเอาอดีตเป็นหลักสมดุลกับการอนาคตปัจจุบันไปปรนิพพานด้วยย่อมเป็นสมาธิปัญญากลมก็เพื่อไม่ให้สงสัยกันทันเวลา จะไม่รู้จักวิธีเดินทางแห่งมรรคจิตมรรคใจมรรคสติมรรคปัญญาจึงได้เอาจิตเอาธรรมพร้อมทั้งสติปัญญาในปัจจุบัน พร้อมการทเยอทยานในอดีตถอนอาลัยอยู่ในตัวการเถยทยานในอดีตอนาคตปัจจุบันที่เรียกว่าตัณหาก็ดับลงไปขณะเดียวพร้อมๆ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 ท่านไม่กระวนกระวายตอนหัวค่ําในวันนั้นลูกทั้งหลายล้อมท่านที่นอนป่วยอยู่ท่านสั่งว่าอะไรอะไรพ่อก็ได้สั่งไว้แล้วลูกๆอย่าได้ทะเลาะกันวันนี้เองคืนนี้เองอย่าพากันมารบกวนให้พ่อกินน้ําพากันอยู่นิ่งๆพ่อจะนอนภาวนาแล้วถ่ายไว้แต่หัวค่ําว่าส่องแสง พ่อธรรมดาคนเมื่อเสร็จขึ้นพันคอแล้วเมื่อก็ต้องตายขึ้นพันคอข้าพเจ้ายังไม่ทันบวดไม่และในคืนวันนั้นเองกำลังไม่กระดิกตัวเลยตลอดลุ่งออกก็ต้องตาย ลูกทั้งหลายที่จ้องดูอยู่จนไม่เห็นพี่รุจน์คล้ายคน เป็นคนลวยที่สุดในสมัยนั้นคนรวยที่สุดในสมัยนั้นแต่ในครอบครัวของบิดาข้าพเจ้าถ้าไม่ได้ ท่านเป็นคนอำเภอปรับคงใจจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนชาวนาตรงๆ โยมคุณตาโยมคุณยายมีบุตรด้วยกัน 6 คนคนที่ 1 ชื่อคน 2 ำ, 3 ชื่อนางแพร 4 ว, 5 ชื่อนางขาคนที่ 6 คือนางลาเมื่อนางคุณโยมยายก็มรณะ พร้อมทั้งทําบนปูติดถึงโยมคุณยายที่มรณะไปเสร็จสิ้นแล้ว เห็นเมื่อโยงคุณตาตกลงใจดังนี้แล้วเป็นพาลูกสาวทั้งหกคนไม่เปิดเครื่องในอนาคตมากกระมังเมื่อโยมคุณ อารมณ์ก็ยิ่งปรากฏน่าสังเวชมาผ่านก็ยิ่งปรากฏคุณบิดามารดาปู่ หันมาต่อเรื่องโยมแม่กับโยมคุณตาลพาครอบครัวโยก 12 ปี 15 คืน คำว่าค่ายมากแข้งนั้นเพราะสมัยนั้นยังไม่ทันใส่ชื่อจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นอยู่ห่างจากอุดรปัจจุบันไปทางประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรก็เลยตั้งบ้านนั้นได้ชื่อว่าบ้านจังหวัดอุดรธานีจน ก็เป็นที่ดินของโยมคุณตาทั้งนั้นโยมคุณตาเข้าใกล้ชิด มีผู้เคารพนับถือโด่งดังในสมัยนั้น 6 นี้สมควรแก่เวลา ถ้านับทั้งลูกๆๆเหลนๆของท่านทั้งหลายเหล่าๆแล้วจะเป็นมนุษย์เทวดามานโปรณตลอดถึงสิ่งที่เป็นลูกประขันถึงสิ่งที่เป็นรูปขันธ์ และรัชกาลที่ 6 <ป>ก็มีพลเมืองในประเทศไทย 14 ล้านเศษเท่านั้นแต่ปัจจุบันที่กำลัง นอกจากสังคารไม่มีอันใดจากพทุกข์นอกจากทุกขก็ไม่มีอันไดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ก็ไม่มีอันใดจะแปบปวนและดับไปนอกจากอันณิิตย์จัังอะก็ไม่มีอันไดจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลปวนและดับไปนอกจากอณิตจังะก็ไม่มีอันไดจะเป็นอันณิตจังและก็ไม่มีอันใดจะเป็นทุกขัง นอกจากทุก Himadallahu นอกจากทุก Himadallahu นppy 만나czek ทุกก็มีความหมายอันเดียวกันทุก Himadallahu ทุก Himadallahu ทุก Himadallahu หลงบัญญัติและปัญญาก็ยังไม่ชัดแจ้งไม่พ้น จนหน้าดําหน้าแดงจนกลายเป็นสงครามกิเลสอนัตตาเป็นส่วน นักวิจัยไม่พิสูจน์ให้ชัดในกรรมฐานปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่ตน 19 ปี นี่เป็นโยมมารดาบอกอย่างชัดแจ้งธรรมดาของโยมมารดาข้าพเจ้ามีนิสัยชอบจดจําลูกทั้ง สมัยนั้นเป็นมนทนนั้นเป็นมนทนแต่ไม่ตรงกับไปสิทธิเมื่ออุปสมบทเพราะเมื่อบิดาคือนายคุณนามสกุลเสเวดวงศ์มารดาพ่อ บ้านของเรามีบุญหรือไม่พ่อตอบว่ามีถามต่อไปว่ามัน ส่วนบักลาดจะให้แถวนี้ไปนั่นวัดข้านั่นนาข้าแล้วชี้ไปเพราะวัดเมื่อบิดาได้ยินแล้วก็ยิ้มและก็ เทศตามใบลานก็ดีเป็นสำเนียงอีสานฟังแล้วจับ 2465 ก็ออก บิดาก็ไปทําร้านถวายให้พรรคท่านจะพักที่นั้น 7 พรรษาชื่ออาจารย์คําพาอยู่บ้านพลเราอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีบิดาของท่านเคย เมื่อเวลาที่พระธุดงค์พักอยู่ที่นั้นเมื่อเลิก 2-3 คํา และไม่ฉันอืดอาอยู่นานด้วยรีบล้างมือและปาก ท่านเล่าให้พร้อมกับเดินไม่รู้ว่าฟังว่าเดินทุรดงไปก้มหน้าทอดจากสู่ เงินตราพระและบาทอยู่หลายหลายซั่นเพราะลื่นสะพานหินตกลง ปรากฏได้ยินเสียงเปิดประตูดังอี้ปาอี้ตัดแต่ไม่ ถ้าท่านลาสิกขาก็เท่ากับว่าตายจากธรรมอันจะพึงได้ถึงถึงท่านอย่าลาเน้อนี่แหละคนอายุ 12 ปีจําได้เพราะบิดารับมาจากท่านแล้วเล่าให้ฟังและท่านได้เล่าเรื่องท่านไปวิเวกดอยคิดจักกุฏอันนี้ปริใหญ่เพราะท่านไป บรรพชาและอุปสมบทครั้งแรกคันอายุล่วงเข้า 18 ปี อุปัจจาก็ดีมีความเห็นตรงกันก่อนจะปะลบกันอยู่แล้ว การเรียนก็ดีการท่องบ่นสาธยายก็ดีสมัยนั้นต่างก็ถือเอาเป็นจริงเป็นจังก็ มานดาวิตกวิจารณ์เกณฑ์ถูกทหารก็พอ 6 เดือนจึงคัดเลือกทหารคัดเลือกทหารสมัยนั้นเดือนพฤศจิกาภคมในปีนั้นก็เดเด 1 2 วันก็ ได้คะแนนเทียบโทคราวนี้ได้ 11 หอคําว่าหอแปลว่าครั้งได้ 2 ใบพอสอบนักธรรมแล้วไม่นาน ได้บุตรคนหนึ่งเป็นเพศหญิงหลังจากนั้น 1 ไดปีก็แต่งงานอีกที่เขตเทศบาล 9 ปีมีบุตร เสร็จจาปนกิจแล้วก็พักอยู่อีกปีหนึ่ง 80 ปีแล้วเส 8 ปีเด็กชายหลุยอายุ กระบือสามตัว 3 ตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นมรดกของผู้ตายคือข้าพเจ้าไม่ได้ขวนขวายทําอะไรในด้านอัน ส่วนน้องชายป้าแก่น 3 คนพี่ชายป้าแก่นคนนั้นเขาก็แบ่งคนละส่วนส่วนไว้เรียบร้อยแต่ เขาจะเยาะเย้ยว่าหาเมียไม่ได้แล้วหนีไปบวชเสียเปลียบเมีย จะปฏิบัติให้สมควรแก่พระจริงกันบวชจริงปฏิบัติให้สมควรแก่พระจริงจะบวช ปานบในเรื่องบวชต่อไปการบ้านท่าตุงได้นิมนต์ท่านมาบวชที่บ้านยางบ้านยางนั้นมีสุวรรณสโลเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นลูก พระกูลคูณเป็นอุปัชฌาย์ฉไหนจึงไม่ไปบวชธรรมยุตเล่า เพราะเก่งกระทบกระเดือนและองค์ท่านเหล่าก็มีนิสัยใจกอ เพราะสมัยนั้นทั้งธรรมยุตมหานิกายต้องไปสอบสนามหลวงวัดโพธิสมภรแห่งเดียวกันและข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่เจ็บเพลือสะสมมารดาก็มรณะในปีนั้น กับผมบวช 30 ลูกตายเสียเมียตายจากถ้าอยู่ใกล้บ้านไม่ได้ปฏิบัติสะดวกโลก ให้ซึ่งเป็นลูกชายของพี่สาวชายคนมหาสุพัสอันเป็นหลานของข้าพเจ้าบุญหลาย แล้วก็ขึ้นไปกราบเท้าท่านแล้วถวายหนังสือรับรองให้องค์ท่านหนังสือรับรองนั้นมหาเฉลมหลาน แม้ท่านเจ้าคุณเทพกวีก็รู้จักเผ่า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 จักกล่าวถึงหลวงพ่อบุญมีวัดป่าโพชัยหนองน้ําเค็มอําเภอปี ภรรษาย่างเข้า 18 พรรษาท่านมีอุบายสั่งสอนเยือกเย็นแยกข่ายพอควรอะไรเพราะปัจจัย 4 ในสำนักพอ ท่านถึงเดือนพอได้เวลาจัดแจงบริขารเพิ่มพอเพียงแล้วในฤดูแล้งปีนั้นเองท่าน ไม่ต้องดอกเพราะเจ้าเป็นผู้ตั้งใจดูว่าดีแล้วเป็นผู้ตั้งใจดูว่าดีแล้วนุ่งเหลืองห่ม คั่นกนผมแล้วองค์ท่านก็ให้พระไปตีละครั้งมารวมที่โบสถ์แล้วก็เข้า 1318 วัน 15 กุมภาพันธ์ 2488 เวลา 13:15 น. เว 13. นส่วนใบสุทธิเดิม กลับแก้ปัญหาตอนนี้ได้แล้วก็พอดีค่ํามืดแก้ปัญหาต้นเอ็นหม่อนบ้างนี้ได้แล้ว กลับถึงวัดแล้วไม่รับอาหารที่เป็นปัจฉาภัตต์หวานขาวรวมลง แต่จริงได้หัดธรรมตั้งแต่อยู่เป็นคลาราวาสคราวๆตัดเสียงหมอลำ ก็ได้คํานึงน้อมลงสู่ใตลักแถมไท้สมเดจฉะนั้นการปฏิบัติมาแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดเล่าเรื่องนิมิตต่างๆนานาสารพัสให้ฝังก็ฟังได้แต่ไม่ตื่นเลยเพราะนิมิตทั้งหลายไม่ใช่พระนิพันนเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนแต่กสลายเท่านั้นเพราะไม่พ้นกองพของไตร่ายลักเพราะนิมิตกับกิเลสมันเป็นผลละลดลชกิเลตต่างจากนิมิตตรไกลกันลิบหลี่เลย อยู่กับหลวงพ่อบุญมีนิมิตไม่มากแต่ถึงกระนั้นเตียงที่นอนอยู่ผ้าเหาะลอย เป็นไปโลธๆนานากุศลสมาธิชั้นนี้อยู่ใต้อํานาจอนิจจังผู้มี ตัดสินฝ่ายสังขารธรรมไม่ลงบรรลุงอยู่ เมื่อจำพรรษาครบไตรมาสแล้วสิ้นการจีวรเดือนพฤศจิกายนข้ามแรมแต่ปีนั้นได้รับประถินอยู่ มีผู้ร่วมทาง 4 รูปด้วยกันเป็นสามเณรองค์หนึ่ง เกิดดับเป็นแต่จิตตสังขารที่บริกรรมถ้าจะภาวนาพระคุณออกไปข้างนอกก็ไม่มีที่สิ้นสุดได้เพราะมีมากถ้าจะภาวนาย่นเป็น 3 ก็พระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณแต่ก็ใหญ่หลวงไม่มีประมานอีกย่นลงในผู้รู้เหล่าก็ไม่มีประมานอีกย่นลงในเอกะคุณในปัจจุบันก็ และคําเล่าสงเล่าก็กลมตืนอยู่ในตัวแล้วเป็นเชือก ผีดุมากแล้วก็พักอยู่ที่นั้น 1 คืนก็ไม่เห็นผี เวลาเดินทางก็ภาวนาพุทโธตามเคยไม่จําเป็นไม่ได้พูดกันพักที่นั้น 1 คืนฉันเสร็จเดินทางเว ใช้บริขารน้อยสะพายบ่าเดียวและเวลาเดินทางแต่ฉันเสร็จแล้ว ถึงบ้านคำตานาค่ำพอดีไปพักวัดลางคืนหนึ่งเช้าได้เวลาฉันเสร็จก็เดินทางต่อข้ามบ้านตัดถึงบ้านโผขณะที่เดินทางวันนี้ จึงคว้ากำเอาดินทรายมาพอกฉีกผ้าเช็ดเท้า เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้สิ้นความสงสัยในชาติก่อนมรณะไม่ว่า ขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละรายของๆไปไม่เสมอกันหมดได้เทวดามารฉะนั้นพระ จะมีอันด הפกรณ์ก็แต่ขันนทâmวิบัติ mais ถ้าเท่านั้นที่เรากิน ซระอุภาทิễศานนิภาท เมื่อถึงอนุภาทิตよろ ა จะยืนยันว่า zd ไว้เปร ปุถุชนจะเดาดลค่าคณยายากคันพักอยู่บ้านพ่อที่โคกเท่านั้นค่ําพอดีก็ถึงบ้านดงอำเภอบ้านดงปัจจุบัน บ้านวังคองนี้สุดเกушкиอ้ำทร์ папิ้อน้องหารไปทางคิจตาวรณ ออกเฉียงเหนือ spe慢慢inha ผมเองจากแดนดิน here ที่บ้านวังคองหน้านเขาวิ่งวอนและนิมนท์ให้พักอยู่นานบ้างเพราะมีที่พักวิเวต์เหมาะสมทุกประการและการาร breatมีเชอร์โค่งโรด ถูก Ginny จึงปรึกษากันว่าพวกเราเดินทางมาติดต่อจน ถ้าเมื่อปลาลบกันเห็นดีแล้วไม่พักให้ๆล้มกลิ้มเขามาทําให้หมดบ้านเสร็จในวัน พอถึงตอนเช้ากดก็เปียกมุงก็เปียกพักทําความเพียรกันอยู่ที่นั้นประมาณ 20 วันพอสะดวกพอควรและไม่มีอันตรายใดๆ เรามาพักอยู่ที่นี้ก็เป็นเวลา 20 กว่าวันแล้วพอคล่องคล่างเขาทำ 4 คนนั้นไม่ถูกกับความประสงค์ของ ปกถาวตกลงจะไปกับพระทางหนึ่งจะไปบ้านโลงงเย็นหาพระอาจารย์พรมอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนกรส่วนเน้นบุกผาจะไปกับข้าพระเจ้าเพราะเน้นได้สัญญาไว้แต่ต้นทางก่อนออกจากอุดรว่าและเมื่อตกลงกันแล้วตื่นเช้าฉันเสร็จแล้วก็พากันลาญาติโยงโยงก็ไปส่งพอไม่หลงทางแล้วก็บอกให้กลับ ข้ามบ้านบ่อเมืองไพรเดินไปตามริมสายดงค่ำพอดี เวนไว้แต่มีเหตุจําเป็นเดินตามทางคนบ้างทางเกวียนบ้างค่ําพอดีก็ถึง ก็พอดีค่ํา 4:00 น. โยมพอแลเห็นท่านไปวิเวกทางอื่นกันหมด